เปรียบเหมือนหลุมที่ลึกยิ่งกว่าช่วงตัวมนุษย์และเต็มไปด้วยฐานเพลิงหลุมนี้ย่อมไม่นาความสุขมาสู่ผู้กำลังร้อนเหนื่อยและหิวกระหายอยู่ก่อนแต่ถ้าหลวงเดินมาตามทางที่จะพลัดตกลงไปในหลุมฐานเพลิงนี้แล้วในที่สุดเขาย่อมเสวยทุกข์อันเผ็ดร้อนแสนสาหัสอีกทั้งยังต้องทุรนทุรายหิวกระหายไม่เลิกด้วย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 1หเหล่านายนิระยะบาลมีการลงทันชื่อการจองจำห้าประการคือตรึงตะปูเหล็กแดงเข้าที่มือซ้ายที่มือขวาที่เท้าซ้ายที่เท้าขวาและที่ตรงกลางทรงอกของสัตว์นรก 2. เหล่านายนิระยะบาลมีการจับสัตว์นรกขึงพืชและเอาจอบถากราวกับร่างที่ถูกถากเป็นเพียงท่อนไม้ 3. เหล่านายนิระยะบาลมีการจับเท้าสัตว์นรกขึ้นห้อยหัวลงแล้วถากด้วยพระสีเหล่านายนิระยะบาลมีการจับสัตว์นรกเทียมรถแล้วให้วิ่งกลับไปกลับมาบนแผ่นดินที่มีไฟติดลุกโป่งโช่ช่วง 5. เหล่านายนิระยะบาลให้สัตว์นรกเป็นภูเขาฐานเพลิงใหญ่ ที่มีไฟลุกโผล่ชดช่วงไปทั้งลูกขึ้นแล้วลงลงแล้วขึ้นอยู่อย่างนั้น 6. เหล่านานิรยะบาลจับเท้าสัตว์นรกขึ้นห้อยหัวลงแล้วคว้างให้พุ่งลงไปในหม้อทองแดงที่ร้อนมีไฟลุกโผล่ชดช่วงไปทั้งใบสัตว์นรกจะเดือดเป็นฟองอยู่ในหม้อทองแดงนั้นเมื่อเขาเดือดเป็นฟองอยู่จะทะลึ่งพลานขึ้นข้างบนบ้างข้างล่างบ้าง ข้างขวาบ้างข้างสายบ้าง 7. เจ็ดเหล่านายนิรยบาลจะโยนสัตว์นรกเข้าไปในมหานรกอันมีสี่มุมสี่ประตูแบ่งไว้โดยส่วนเท่ากันมีกำแพงเหล็กล้อมรอบครอบไว้ด้วยแผ่นเหล็กพื้นของนรกใหญ่นั้นล้วนแล้วด้วยแผ่นเหล็กอันลุกโพลงอยู่ด้วยไฟแผ่ไปตลอดร้อยยอดรอบด้านไม่มีดับเลย แม้เราจะสัทยายไว้มากอย่างนี้โดยความเป็นจริงไม่ง่ายเลยที่จะกล่าวถึงความทุกข์ในนรกตามที่ปรากฏอยู่ข้อความจากภาละบันดิ ส, สูตรมุมมองอันควรได้จากพุทธพจน์เมื่อพระพุทธเจ้า เปรียบนรกภูมิว่าเทียบได้กับหลุมลึกที่เต็มไปด้วยฐานเพลิงดักอยู่บนทางกันดานก็หมายความว่าเส้นทางสู่ความเป็นนรกคือกับดักที่น่าสะพริงกลัวยิ่งเพราะนรกเปรียบเหมือนจุดต่ำสุดสร้างขึ้นจากพลังกิเลสหนักสุดจึงย่อมมีแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งไว้เหนี่ยวแน่นที่สุดด้วย สำหรับคนที่เดินทางไกลทั้งร้อนทั้งเหนื่อยทั้งหิวกระหายเกราะซ้ำกรรมสัตว์อันใดเล่าจะเท่าพลัดตกลงไปในหลุมทานที่ไม่เหนือให้ผู้พองได้ทั้งตัวเมื่อตกลงไปอยู่ในนรกจะไม่มีใครรู้สึกว่ามีทางรอดสภาพแบบที่คุมขังเพื่อลงทันถูกกรรมออกแบบให้เห็นแล้วนึกไปว่านี่คือการจองจำชั่วนิรัน ขอให้คิดถึงความทุกข์จากการป่วยเป็นไข้หนักตัวร้อนจนคนรู้สึกคล้ายเตียงเป็นเครื่องทรมานให้ตัวต้องบิดไปบิดมาคุณจะรู้สึกเหมือนเวลายืดออกไปไม่มีที่สิ้นสุดแม้รอคอยวันที่จะได้หายไข้นานเท่าใดตื่นขึ้นกี่ครั้งก็พบว่ายังไม่หายอยู่ดีที่ยังดีคืออาจมีช่วงผ่อนหนักเป็นเบาบ้าง แต่ในนรกยิ่งกว่านั้นคุณจะไม่ชินกับความทุกข์ไม่ชินกับความร้อนและแม้ทรมานจนขาดใจตายกรรมก็จะบันดาลร่างใหม่ให้ผุดขึ้นสืบทอดความทุกข์ต่อโดยพลันไม่ให้หายใจหายคอตราบเท่าที่กําลังของกรรมยังส่งผลไม่หมดหน้าที่มรณะบนโลกมนุษย์ทุกคนจะรู้ว่าความตายเป็นแค่ประสบการณ์วูบเดียว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 เช่นศีลห้าขาดวินด้วยน้ำจิตปทุศร้ายเกินกว่าจะเป็นไปได้ในผู้มีมนุษยธรรมเพียงครั้งหรือสองครั้งก็มีผลให้จิตใจตกต่ำดำมืดพร้อมจะไหลลงนรกอย่างยากจะทวนกระแสยกตัวอย่างเป็นข้อๆได้คือ 1. ทําทำร้ายร่างกายผู้ทรงศีลหรือผู้มีพระคุณเช่น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 ที่กรรมของสัตว์นรกบางจำพวกบรรดาลขึ้นได้ 2. ยักยอกสิ่งของอันเป็นสาธารณะเช่นโกงเงินวัดบริหารบ้านเมืองด้วยการเอาทรัพย์ของบ้านเมืองมาเป็นของตนอย่างความเดือดร้อนแก่สาธารณชน 3. ประพฤติผิดทางกามด้วยความโชดเช่นข่มขืนทำร้ายร่างกายหญิงที่ไม่ใช่ภรรยาตน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 กินเหล้าจนกลายเป็นขี้เมาอารวาสโดยไม่มีความรู้สึกยับยั้งชั่งใจได้เรื่อยๆแม้น้ำหนักการประตุสลายเบาวกว่าที่กล่าวมาแต่ถ้าสั่งสมให้มากจนเกิดกระแสนรกขึ้นในตนเต็มรอบคือมีความร้อนแรงร้ายกาศฝุ่งซ่านพล่านไปในความชั่วได้ทุกวันใครอยู่ใกล้พลอยร้อนรนกระวนกระวายไปด้วยแล้ว ก็พร้อมจะพุ่งหล่าวลงนรกได้ในทันทีที่ตายเช่นกันนิมิตบอกลางร้ายสำหรับคนชั่วสิ่งที่น่ากลัวกว่าความตายคือสิ่งที่ทำไว้ก่อนตายเพราะขณะตายในห้วงมโนทวานจะเห็นกรรมชั่วที่เคยทำกำลังย้อนกลับมาลากตนไปลงนรกปรากฏเป็นฉา ก, ฉาก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 ก็ปรากฏนิมิตปืนผาหน้าไม้ที่เคยใช้หรืออาจเห็นสัตว์กรูเข้ามาทวงชีวิตอย่างนี้เรียกว่ากรรมนิมิตถ้าไม่ใช่กรรมชั่วที่เคยทำก็อาจเป็นภาพนิมิตของนรกซึ่งปรุงแต่งขึ้นแบบเดียวกับฝันร้ายหรือไม่จิตก็ทะลุไปเห็นสภาพจริงอย่างใดอย่างหนึ่งของนรกเช่นเครื่องลงทันที่เตรียมรอตนอยู่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 ตรงข้ามกับบางคนที่กายกระสับกระส่ายด้วยโยครคภัยไข้เจ็บแต่ในขั้นสุดท้ายถ้าบุญถึงจริงก็มีนิมิตของกรรมหรือนิมิตของคติอันเป็นที่ไปมาระ ง, งับความกระสับกระส่ายทางใจจิตสว่างอย่างเตรียมไปดีได้เองสภาพแวดล้อมของนรก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 สมัยที่ผู้คนยังป่าเถื่อนและเห็นการตายทรมานของเราอาชญากรเป็นเรื่องสนุกหรือสมัยที่เห็นสมควรให้ประชาชนทศนาโทษทันอันควรสาแก่ใจของทรชนโฉดก็ค้นคิดวิถีทารุณต่างๆนานาเช่นย่างไฟสดๆและเนื้อเอาเกลือทาจับแช่น้ำเดือดและอื่นๆเหล่านี้นับเป็นหนังตัวอย่างของนรกภูมิได้อย่างดี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 ไปกว่าเก้าอี้ไฟฟ้าอีกแล้วสภาพการตายของคนที่ดินบนเก้าอี้ไฟฟ้านั้นทุเรศทุรังเหลือประมาณเคยมีเกียรติยศหรือมีความสง่างามมาปานใดก็เป็นอันสิ้นสุดลงบนเก้าอี้ไฟฟ้านั่นเองน า, นาทีประหารนักโทษเก้าอี้ไฟฟ้าจะกระตุกหดตัวและทะลึ่งโดด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 สรงพลังสูงขนาดทาให้ลูกในตานักโทษถลนจากเบ้าแล้วออกมากองบนแก้มได้โดยมากนักโทษมักขับถ่ายของเสียอย่างกุจระปัสวะออกมาเรียราดแถมปากอาจพ่นเลือดกับต้ำลายทลักหลังร่างปลูออกมาด้วยส่วนเนื้อหนังของนักโทษจะบวมเป่งออกและขยายจนกระทั่งฉีกขาดหลังจากแดงก่าใกล้เป็นไฟได้ที่ ผู้ใกล้ชิดเหตุการณ์สามารถได้ยินเสียงประทุแบบเดียวกับที่เราได้ยินเสียงเปรี้ยยๆของเนื้อทอดบนกระทะว่ากันว่าก้อนสมองจะมีความร้อนสูงได้เท่าน้ำเดือดทีเดียวแม้เวลาผ่านไปหลังจากตัดกระแสไฟฟ้าแล้วตับก็จะสุก ข, ขนาดแตะต้องด้วยมือเปล่าไม่ได้เมื่อต้องตายทรมานขนาดนี้และสภาพศพหลังการตายสุดอุจารเห็นปานนี้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 ให้ยกเลิกวิธีประหารแบบนี้ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วนรกก่อนตายของคนเจอโทษประหารโหดๆอาจเป็นการลงโทษที่สาสมกับบาประดับหนึ่งแล้วถ้าไม่มีบาอื่นอันสมควรแก่การลงทันอันเยี่ยมเกรียมต่อก็อาจไปสู่ความเป็นเดรัจฉานหรือความเป็นเปรตหรือกระทั่งภูมิสูงกว่านั้นได้บางคนอาจนึกว่า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 ให้เอาหอกสามร้อยเล่มแทงซึ่งคงหมายถึงไม่เหลือสักตารางนิ้วเดียวที่ปราศจากความเจ็บปวดจากหอกก็ยังไม่ได้เซี่ยวเดียวของความทุกข์ในขุมนรกสุดท้ายขอให้ทราบว่าวิญญาณที่ผุดเกิดในนรกได้นั้นต้องมืดหนักเข้าขั้นพอฉะนั้นกำหนดเวลาในการลงโทษย่อมไม่ธรรมดา กว่าจะถึงกำหนดพ้นโทษได้เนี่ยเขาไม่นับกันเป็นเดือนเป็นปีแต่ว่ากันเป็นหลายร้อยปีหลายพันปีหรือกระทั่งเป็นกลับเป็นกัน